บัรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้หรือ ว, ว่าตอนนี้ก็มาคุยกันทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมศาสตร์ต่อไปคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็หมายความว่ารู้เรื่องธรรมะแต่ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาพูดกัน <c oughs> คราวที่จันทึก ตอนที่เรื่องเริงกันใหญ่ในคราวนั้นขณะที่ดูฟังเสียงเพลงและการพร้อนรำท่านก็มาบอกว่าวันนี้เป็นเื่องสำคัญต้องสแสดงออกก็ความเป็นอยู่ของไทยไทยจะไม่มีการสลายตัวและท่านก็ทำภาพให้ดูในการยับยั้งการบุกรุกของข้าศึก แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าศึกไม่สามารถจะทำอันตรายประเทศไทยได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเทวดาพรหมพระคอยช่วยและคนไทยก็จะต้องช่วยไทยเพราะไทยเราจะเป็นทาสไม่ได้ต่อไปตามภาพที่มองเห็นเห็นว่าไทยคงทรงความเป็นไทยอยู่ตามปกติ ยังไม่มีสภาพที่จะสลายตัวแต่ว่าบรรดาไทยขายชาติหรือว่าบรรดาไทยบ้าจีบรรดาไทยที่หวังจะทําลายความเป็นไทยพวกนี้อาจจะเป็นโรคปากกระบอกตายก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องกฎข้องก ร, รมตอนนี้แล้วก็มานั่งมองดูไทย ไทยเราที่ต้องเสียเอกราชแต่ความจริงคนไทยนี่อยู่ในแดนไทยมานานตามที่นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ากันว่าชาวละว่าคือเป็นไทยอันนี้ขอยอมรับนับถือแล้วขอสรรเสริญท่านนั้นหลายเหล่านั้นว่าท่านมีมันสมองดีแต่ความจริงคนไทยเราอยู่กันเป็นจุดเป็นหย่อม <c oughs> เรียกว่าในพื้นของแหลมทองนี่ไทยอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีแต่ก็เพราะพวกไทยนี่แหละในเมื่อมีมากขยายการหากินขึ้นไปถึงประเทศจีนแต่ในเมื่อในที่นั้นอาศัยความไทยเป็นไทยใจดีพวกจีนเขามีความลําบากถูกคมเหงไม่มีที่อาศัยไทยก็ให้อาศัย นานาเขา้าในเขามีความเจริญขึ้นปีคางแข็งขึ้นเขาก็เลยครองไทยไทยเป็นคนใจดีํำคาญพื้นที่มาก ก, ก็เรียกว่าก็ต้องถอยลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่องการให้เขาอาศัยบ้านอาศัยช่องแล้วเขาก็ยึดความอึดครองความเป็นไทยของเราหมดไปต้องเป็นท่าเขาหรือหนีเขา <c oughs> เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างสำหรับนักปกครอง <c oughs> นักบริหารประเทศก็ควรจะมีการรู้จักความใจดีแค่ความเป็นผู้มีใจดีถ้าดีเกินไปเราไม่มีที่จะไปกแล้วความเป็นมนุษยธรรมเรามี แต่เขาที่มีมนุษยธรรมเขามีความลำบากแต่ขาดมนุษยธรรมเขามีอย่างกับพวกยยนนี่เราให้เขามาสายโชคคราวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ไปเวลานี้ที่ขณะพูดนี่เป็นวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยี่ิบสอง ก่อนหน้านี้รู้สึกวันโยนหนีก็มาเป็นพันๆแล้วก็มาเรือแตกที่ไทยถ้าเราจะคิดกันไปอย่างคนไทยไทยก็เห็นว่าไอาการที่หนีมาแล้วมาเรือแตกที่ไทยนี่ <c oughs> เราเชื่อกันไม่ได้ว่าเรือจะแตกจริงดีไม่ดีก็จะส่งคนขึ้นมาแล้ว เพราะว่าทะเลของเรากว้างใหญ่ไพศาลมากมีระยะยาวเอาเหลือแา่คนนี้แข็งแรงออกไปก็ทำลายเรือกแกล้งลอยคอเพื่อให้คนไทยช่วยเรื่องนี้ลูกรักทั้งหลายต้องระมัดระวังความเป็นไทยของเรา <c oughs> ที่จะต้องเสียอิสรภาพเสียเอกราชก็เพราะความเป็นคนใจดี แล่นก็นเราจะคิดอยู่ว่าถ้ายนเขาดีเนื้อที่เขาก็มากเ้าแบ่งคนเข้ามาในคำเหม็นแบ่งคนเข้ามาในลาวถ้าทำไมเขายังยังไม่มีที่อยู่อีกจะต้องอาศัยชาติต่างๆอยู่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งชาติไทยที่พูดมนันนี่ไม่ได้พูดในเกลียดยนแต่พ่อนมีความรู้สึกอยู่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ยวนที่อพยพเข้ามานี่ก็จะกลายเป็นยวนตามเดิมนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เรามีความยุ่งยากและลำบากในที่สุดจะต้องตกเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของยวน <c oughs> เห็นว่ายวนแตกเข้ามาเข้าทางภาคใต้ผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็มีความกำเริบมากขึ้น เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เหมือนกันการที่เอาเรือรบของเราไปรัตเวนเนี่ยมันมีความหมายน้อยเต็มทีเรือที่มีกำลังเพียง25 น, อน็อตแล้วก็เรือที่นำวุฒเข้ามามีกำลังสูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าก็ยากที่จะมองเห็นเคยถามนายทหารเรือที่ออกรัตเวน ว่าจับได้ในขณะที่ขนมาบ้างไหมเพื่อเลยบอกจับไม่ได้นอกจากเรือมันจะแตกแลวเกยตื้นนั่นเป็นผลปลอยได้เราวุฒิขนก็มาก็มากมายจะคิดว่าทางสายใต้ติดต่อตามประเทศไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นความจริงนี่เป็นอันว่าที่พ่อพูดมานี้ลูกรัก ไม่ไดีหวังจะให้ไทยประทนาทำลายยน์และเป็นศัตรูกับยน์แต่พ่อมีความห่วงใหญ่ว่าคนไทยเราจะเสียท่า ย, ยน์และถ้าหากว่ากำลังเขามากขึ้นและคนของเราที่ขายชาติทำลายชาติก็เข้าไปร่วมกวับเขาโดยตอนนี้เราจะสบายมาก สบายขนาดที่ไม่มีที่จะอยู่คันสบายขนาดที่จะไม่มีอิสรภาพ <c oughs> สบายจนกระทั่งไม่ต้องใช้สมองของตัวเองสบายจนกระทั่งไม่มีการพักผ่องในตนเองเขาจะใช้เขาจะข่มเขาจะขี่เขาจะทารายการใดคนได้เราหรันไปดูประวัติศาสตร์ในตอนต้น ตั้งแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จตับแข็งเข้าสู่ทัปริญพานในขณะนั้นโพวกไทยกลุ่มใหญ่ขายายมาจากเมืองกรุงราชกฤห์มหานครความจริงชาวกรุงราชคฤห์กับชาวกรุงกบินพัฒนี่เป็นคนไทยข อ, อนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อกราเสบสาวเราเรื่องกันดูให้ดี ว่าในได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระินาสีคือพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆสมเด็จพระจอมไตรยทรงยึดกรูนาจะคอเป็นหลักปักสร้างพระพุทธศาสนาและพระราชาก็มีความสนิทสนมกันสำหรับพ ร, ระเจา้าประเสนาธีโกศลเมืองเวาสารี นั่นเป็นเชื้อชาติแขกแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนพระองค์สมเด็จพระชินวร์ก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรมากถึงกับขอคนไทยมาเป็นพัญญาไว้เมื่อความพิดเชื่อในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคและคนไทยที่อยู่กรุงนายยกฤือตอนหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งมีโูคหกสิบคน ในลูกหาอนณาเขตอนณาเขตในเวลานั้นมันหาง่ายเพราะมันเป็นป่ายิงขึ้นได้ขยายมาพวกหนึ่งเดินทางมาสายเหนือในอีกพวกหนึ่งจากจีนเดินทางไปสายใต้ทางสายใต้นั้นลงไปก่อนทางด้านจังหวัดเพชรบุรี ก่อนหน้าองค์สมเด็จพระจีนสีจะสมบัติอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณประมาณสามพันปีเศษสำหรับสายเหนือนี่เข้ามาในเขตเชียงตุงและเข้ามาในเขตเชียงรายก็แล้วกันตอนนี้ก่อนหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาจะสมบรติอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณประมาณสองพันเจ็ดร้อยปีเศษ แล้วก็ตอนหลังสุดปรากฏที่จกเชียงตรงเข้ามาเชียงรายก็มีพระเจ้าระวะจังกราชตอนนั้นคนไทยที่เข้ามานี่มีวัฒนธรรมดีมีความเจริญทั้งด้านจิตใจและด้านความรู้การแต่งกายก็ดีเห็นว่าที่แม่สายนั้นเดินลงมาลงจากเขา เวลานั้นปรากฏว่าพ่อบ้านเรือหัวหน้านาเขตแถวนั้นเข้าตายยังหาหัวหน้าไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าละวะจังกราชความจริงก็รีพระเจ้าก็แล้วกันตอนนี้ถือว่าเป็นห้านพ่อหน้าคนธรรมดา <c oughs> ในพวที่มาด้วยกันนั่นก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็เขาก็เลยเห็นว่าเป็นเทวดา ความจริงประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนเกินๆว่าสักนิดหนึ่งสมัยก่อนลงมาเขาก็ยกให้เป็นหัวหน้าการปกครองมันก็ดีขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นสุขสร้างความเป็นธรรมสร้างความสามัคคีมีกฎหมายสําหรับบังคับ <c oughs> ไม่ให้มีการกดขี่กันหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าระวะจัจฉรราช มีพระราชาโอรส ถ, ถ้าผิดไปบ้างก็ต้องขอภยัยมีนามพระเจ้าชุตราชนี่เป็นราชการที่หนึ่งพระเจ้าชุตราชนี่อายุร้อยยี่สิบปีเมื่อท่านตายตายเมื่อพศสองพันหนึ่งร้อยพอดีต่อมาราชการที่สอง มีพระราชโอรสมีนามว่ามังรายอายุสี่สิบหกปีเสวยราชต่อพระเจ้ามังรายองนี้เป็นพระราชาที่เจ้าที่สร้างเมืองเชียงรายเดิมทีเขาเรียกกันว่าเชียงรอยขายายนาเขตออกไปจากพ่อปกครองอีกสี่เท่าแต่ให้ความเป็นสุขให้น้องๆไปปกครองอีกสามเขต รัชกาลที่สามก็มีพระเจ้าองค์องค์เชียงนะให้ตาไม่ดีเห็นจะเป็นพระเจ้าองค์เชียงองค์เชียงเสวยราชสมบัติมาสามสิบเอ็ดปีแล้วก็ต่อมารัชกาลที่สี่พระเจ้าองค์ชินเสวยราชสมบัติยี่สิบปี พิธีการที่ห้าพระเจ้าองค์คําตนเสวยได้จะสมบัติสิบเจ็ดปีพิธีการที่หกพระเจ้าองค์จรตนเสวยได้จะสมบัติกี่ปีไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าสําหรับพระเจ้ามังรายก็เป็นกันเสวยได้จะสมบัติกี่ปีก็ไม่ได้บอกมาถึงพระเจ้าองค์องค์งเกิงตนนี่ปรากฏว่าถึง พศ2018แล้วก็ต่อมาพระเจ้าอ ง, งาค์กิงกิราชเสวย ร, ราชยศิสมบัติ15ปีพยธีการที่8พระเจ้าองค์ชาติตนเสวย ร, ราชยสมบัติ20ปีพยธีการที่9พระเจ้าองค์ตนพระเจ้าพระเจ้าองค์ เว yeah. ้าตนนะเจ้าองค์าวตนเสวยากษเสวยราชสมบัติสิบเก้าปีแล้วก็ราชการที่สิบเจ้าองค์แว่นตนเสวยฤราชสมบัติสิบเจ็ดปีแล้วก็ราชการที่สิบเอ็ดเจ้าแก้วตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปีราชการที่สิบสองเจ้าองค์เงินตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปี พิธีการที่สิบสามพระเจ้าแวนตนเสวยราชสมบัติสิบหกปีพิธีการที่สิบสี่พระเจ้าองค์งามตนเสวยราชสมบัติสามิบสามปีพิธีการที่สห้าพระเจ้าองค์ซื้อตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปีพิธีการที่สิบหกพระเจ้าองค์เชิงเชิงตนเสวยราชสมบัติสิบแปดปี พิธีการที่สิบเจ็ดพระเจ้าองค์พันตนเสวยราชสมบัติสิบหกปีพยธีการที่สิบแปดพระเจ้าองค์เกลาวตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปีพยาีการที่สิเก้าพระเจ้าองค์เพียงเสวยราชสมบัติสิบเก้าปีพยาการยี่สิบพระเจ้าองค์ซื้อศีตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปี ยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบเลยนะปฏการยี่สิบเอ็ดพระเจ้าองค์แพงตนเสวยได่สมบัติยี่สิบปีปฏิการ ย, นะยี่สิบสองพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์พระพาตนพวกตนเนี่ยนะเสวยได้สมบัติสิบสี่ปีในการยี่สิบสามพระเจ้าองค์ภูตน เสวยราชยศสมบัติ12ปีพญการ24พระเจ้าองค์เฝ้าตนเสวยราชยศสมบัติ50ปีพญการ25พระองค์มังสิงตนเสวยราชยศสมบัติ50ปีพญการ26พระเจ้าองค์มังสมตนเสวยราชยศสมบัติ8ปีพญการ27พร ะ, ะเจ้าองค์ทิพ ย, ยตน เสวยราชสมบัติ17ปีพย า, ารยน28พระเจ้าองค์กาอักลมตนเสวยราชสมบัติ5ปีพยายนี้9พระเจ้าองค์ชายตนเสวยราชสมบัติ20ปีพย า, ารณยนี้30พระเจ้าองค์ชิงตนเสวยราชสมบัติ15ปี รัจ ก, การนิสานิเอ็ดพระเจ้าองค์ชมตนเสวยราชสมบัติยี่สิบปีรัการนิสานิสองพระเจ้าองค์พังตนเสวยราชสมบัติสิบหกปีรัการนิสานิสามเจ้าองค์พิงตนเสวยราชสมบัติสิบห้าปีรัการนิสาริส broken, okay <cin> eh ี่พเจ้าองค์เพียงตนเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปี แล้กว fam, ลก็รัจยก า, ารที่สามในบริการที่สาิบสีแล้วนะมารั จ, จการที่สามที่ห้าพระเจ้าพังคราชเสวยรา้สมบัติได้สิบแปดเมื่อเมื่ออายุสิบแปดพอถึงอายุยี่สิบก็งี้เป็นสามปีขอมก็เ um, ข้ามาตีเมืองนี่เป็นอันว่าท <RY> ี่พ่อนําเอาประวัติศาสตร์ตอนนี้มาพูด เพราะว่าการปกครองของไทยในสมัยนั้นมีวัฒนธรรมดีมากคาว่าวัฒนธรรมก็หมายความความเจริญในด้านจิตใจวัฒนนิแปลว่าเจริญทำแปลว่าทรงไว้ไม่มีการขบฏไม่มีการปฏิวัติไม่มีการยึดอำนาจไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งหมดถ้าพ่อตายลูกก็ปกครอง <c oughs> ถ้าไม่มีลูกน้องกับปกครองลูกคนน้องกับปกครองต่อไปตามลําดับถือว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไทยๆอยู่กันอย่างพ่อกับลกูกทอนี้ในสมัยเมื่อสงครามมันไม่มีจะมีกันบ้างกับเหนการการปราบปรามโชนคนร้ายแต่ว่าสําหรับพระเจ้าจมังรายมหาราชนี่รู้สึกว่ามือจะจับดาบอยู่เสมอ เพรามีการขยายนาาเขตเมื่อพระราชนิพนธ์ที่วงคตไปแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์ขยายนาเขตจากเขตเดิมทั้งสี่เท่าพระเจ้ามังรายมหาราชนี้รู้สึกว่าจะมีประวัตยิยาวๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนขยันเกิดมังรายมหาราชกับพระเจ้าเมงรายคนละองค์นะ มังรายเป็นคนสร้างเชียงรายขึ้นพระเจ้าเมืองรายนี่มารุนหลังรุ่นสมัยพระเจ้ารามคำแหงต่อมาก็มาคุยกันทึงว่าบางทีบรรดาลูกหลานที่รักเจนว่าพระเจ้าพังคราชนี่ท่านชื่อพังต้องแปลว่าพระราชาผู้พัง แต่ความจริงการจะไปด่าพ่อเนี่ก็ไม่ถูกท่า น, นี้พ่อไ ร, รเพราะว่าเห็นว่าการปกครองอ่อนแอมากไม่มีการเตรียมรบไม่มีการเตรียมรับถ้าเราจะดูกันไปถึงพฤติการแล้วเทวสาทิผ้าทายการถ้าเอาจทัึงพระเจ้าระวะจังกราชด้วยก็ควยจะเป็นสามที่หาชการ ไม่มีการสู้รบตบมือไม่มีการแย่งชิงราชสมบัติไม่ได้มุ่งความเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้บ้าจีไม่ได้อะไรทั้งหมดอยู่ี่การเป็นสุขการอย่างนี้การเตรียมรบมันก็ไม่มีทา้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดจะรบกับใครแล้วก็ไม่มีใครเข้ามารบกับเราอย่าถือว่าประมาทเ็าว่าได้ แต่พ่อคำนวณตามพุทธศักราชตามศักราชแล้วไม่รู้เรื่องของพระเจ้าอาระวะจังกราชคำนวณประวัติศาสตร์ได้ประมาณเจ็ดร้อยปีเศษเศษพศนะแต่ว่าตามพงศาวันดานท่านบอกว่าเก้าร้อยปีก็เป็นอันว่าพระเจ้าอาวะจังกราชไม่ทราบว่าท่านปกครองกี่ปี เป็นอันว่าพระพุทธศักราชของชาวเหนือเชื่อได้ถ้าไรตามัยายการมาก็คงจะอยู่ในเกณฑ์เก้าเก้าร้อยปีที่พระเจ้าพังกราชรขึ้นสวยราชพระเจ้าพังกราชรขึ้นสวยราชเพียงอายุสิบแปดปีแต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่ผ่านมาเราไม่ได้บอกอายุท่านยังหนุ่ม ได้ว่ามีลีลาคือปฏิบัติตามีดามันดาและท่านผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาการปกครองในคราวนั้นปกครองกันแบบพ่อกับลูกคือพระราชาก็พระราชานั่นแหละในฐานะที่ขนาดใดทรงความเป็นพระราชาก็ต้องใช้อำนาจ ไต้ขณนะที่วางความเป็นพระราชาไปแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนทุกคนเข้าถึงบรรดาประชาชนพูดคุยกันตามสบายแต่ว่าคนสมัยนั้นพ่อบอกแล้วนี่ว่าเขามีวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมาถึงมันยากจะมีใจดีถึงแม้ว่าพระราชาจะลงไปครุกคีกับเขาอาศัยที่เขามีความรักความเคารพ เขาก็ไม่ตีเสมอพระราชาให้ตีตนเสมอขึ้นมาเป็นอันว่าคนเราจะดีได้มันมียานีลูกรักทั้งหลายถ้าผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องทำตนให้ย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยการย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยนี่เป็นความดีของผู้ใหญ่ แต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าผู้น้อยยอดตนลงมาเสมอตนและตนเองก็เลยทําตนให้เท่ากับผู้ใหญ่น่าเป็นความเลวของผู้น้อยขอมันดานลูกที่รักจําไว้เมื่อท่านย่อดลงมามากเท่าไรแล้วก็ย่อให้มากลงไปมากกว่านั้นอาไปจ่ายนกักกรรมกรรมคือความเป็นการอ่อนน้อมเข้าหากันเป็นความดีสร้างความรัก ดังนั้นพระราชาในสมัยนั้นกบับบรรดาประชากรทั้งหมดยังปรากฏว่ามีการปกครองเหมือนพี่เหมือนน้องพ่อปกครองลกูกลูกอยู่กับพอ่อความสุขของพระราชาในสมัยนั้นก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนพระราชาม่ดีว่ามีโอกาสออกคุ้นนางพบประชาชนได้เกือบทุกวัน แล้วก็มักจะชอบเดินชมป่าชมดงบางรายก็ชอบล่าสัตว์บางรายก็ชอบประพาสป่าการประพาสป่านันก็มองไปดูว่าที่ไหนมันจะมีน้ําดีบ้างที่ไหนจะมีที่ราบดีบ้างจะปลูกพูดเพื่อทักอะไรดีเมื่อพบพื้นที่แล้วก็มาแนะนํากับมรดาไปชาชน แต่ว่าในสมัยนั้นรู้สึกว่าทองคํามีมากจะได้คนในเขตไทยสมัยนั้นจึงเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์กดูกสัตว์งาสัตว์แล้วของป่าและทองคําำ เ, เงินเราหากันได้ง่ายคนไทยจึงมีความสุขต่อมาเมื่อพระเจ้าพังก라าาสวยราชสมบัติ เจ้าขอมดำร่วมมอนฮาริพุนชัยเมื่อเขาส่งคนไปดูเห็นว่าคนไทยตกเจเนีความประมาทไม่มีการสงไม่ไม่มีกองทหารรักษาประเทศอยู่กันแบบส บ, บายๆให้ความโลภของคนจังไรมันก็เกิดขึ้นยังได้เคลื่อนทัพมีกำลังประมาณแสนคน กองทัพของเขานี่ไปประมาณแสนคนแต่คนของเราทั้งประเทศจริงๆก็มีอยู่แสนเศษเขาเดินทัพไปแค่เวลาประมาณยี่สิบวันเขาถึงเราก็ยกกำลังทัพออกมารับแต่ทัพเราไม่มีการเตรียมรบฉะนั้นการรัตะกันระหว่างทาหารที่พร้อมในการรบ กับทหารที่ไม่พร้อมในการรบมันก็สู้กันไม่ได้เป็นอันว่าไทยเราต้องแพ้ขอมมาแพ้แล้วทำไงเขาเข้ายึดครองนาจเป็นอันว่าเข้ามายึดครองนี่เขาก็บังคับให้พระเจ้าพังการาชไปปีงกำนันอยู่ตาบลหนึ่ง ทั้งด้านแม่สายแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นกำนันลูกหลานที่รักลูกรักของพ่อจำให้ดีนะว่าความเป็นท่ายเขานะ่ะไม่นด้เกิดความศกสันทัน์ษาเป็นประการใดเทราว่าคนที่เขามาเป็นนายถ้าเขาหวังดีเราก็เราล้วก็เขาไม่มาตีเราหรอก เมื่อเข้าตีเราแล้ ว, ลวจิตมู่จุดมู่หมายของเขานั่งคือต้องการทำลายไทยทั้งชาติให้พินาศไปพูดกนง่ายๆก็กหมายความว่าเขาต้องการแยกฆ่าไทยให้ตายทั้งหมดแต่ลาการฆ่าของเขามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องการให้ไทยตายไปด้วยกำลังที่เขาทรมาน เลาเนลูกของบรดาลูกรักทุกคนการเวลาที่จะคุยกันไปถึงการถูกทรมานในครั้งนั้นมันก็ไม่มีเวลาจะพูดเวลานี้มันถึงสามสิบนาทีพอดีแล้วสำหรับเทพนั่นนี้ก็ยุติไว้ก่อนเขาบรรดาลูกรักทุกคนรับฟังหน้าต่อไปในตอนที่ไทยก็เราเข้าถึงความเศร้าโศก